ถึงแม้ท่านจะทำกรรมชั่วช้ามามากมายหรือทำบาปสร้างเวรมานับไม่ถ้วนแต่ถ้าท่านได้ฝึกจิตให้สงบจนถึงขั้นเกิดสติปัญญาสูงที่สุดจนจิตสว่างสวัยสะอาดบริสุทธิ์หมดจดลุกโรงขึ้นเพียงแวบเดียว เมื่อนั้นผลบาปกรมใดๆมากน้อยขนาดไหนก็จะถูกเพิกถอนยกเลิกออกไปจากจิตเพราะจิตได้ทำหน้าที่ดับตัวตนหมดสิ้นแล้วจึงไม่มีตัวเราที่จะไปรับผลวิบากรรมอีกต่อ สิ่งดีที่สุดเพื่อตัวเราพระอาจารย์ยุทธนาเตชะปัญโยชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มีสิ่งที่ปรารถนาที่สุดก็คือความสุขเด็กจะได้ความสุข สแสวงหาความสุขทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงหลีกหนีจากความทุกไปให้ไกลแสนไกลหนีความทุกไปจนสุดโลกเลยก็ว่านา่านี่แหละคือความต้องการของทุกชีวิตนั่น เป็นชีวิตในความคิดในความหวังแต่ว่าชีวิตในความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าชีวิตในความคิดไม่ใช่ชีวิตในความจริงในความจริงนั้นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ที่ในภาษาธรรมก็เรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละคือชีวิตจริงนอกเหนือจากปัจจุบันเนี่ยเป็นความคิดดังนั้นปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นกับเราความสุขความทุกข์เราควบคุมมันได้ไหมเรามาัก บ, บัญชามันได้ไหมความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดี จะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องมีเหตุปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุของความสุขไว้ความสุขก็เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเรายังสร้างเหตุของความทุกข์ความทุกข์เหล่านั้ น, นก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราในตัวเราเพราะฉะนั้น สุขหรือทุกเนี่ยเป็นผลที่ทําเหตุมาเราจะต้องมาสร้างเหตุการสร้างเหตุนี่สำคัญมากนะอยากได้ความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุขความสุขให้มากๆเหตุของความสุขนี่มีมากมายเราก็ควรจะเข้าใจเคยได้ศึกษามาบ้าง เหตุของความทุกข์ก็มีมากเพราะนั้นเราจะสงสัยว่านี่ทำไมเรามีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำไมความสุขมันมีน้อยเหลือเกินทำไมจึงมีความทุกข์มากอันนี้เป็นเพราะว่าเรายังดาเนินชีวิตยังไม่ถูกต้องดาเนินชีวิตไปแต่ละวันเลย โดยการสร้างเหตุของความทุกข์อยู่เรื่อยๆการพูดไม่จริงการทําไม่ถูกต้องการคิดที่ไม่ตรงกับสภาวะของธรรมชาติอันนี้คือเหตุของความทุกข์การพูดดีทดําดีคิดดีอันนี้คือเหตุของความสุขเนี่ย ง, ง่ายๆคือความถูกต้องกับไม่ถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วก็สุขถูกต้องนี่ไม่ใช่ถูกใจนะถูกต้องนี่ต้องถูกทำด้วยถูกธรรมะเลถ้าคิดไม่ถูกต้องทาไม่ถูกต้องผลก็คือความทุกข์อย่างสมมุติว่าจิตใจเราเนี่ยอะลองมาที่จิตใจเราเลยบางค น, นจิตใจไม่แช่มชื่น เบื่อเ่อเซ็งเซงกลุ่มกลุ่มเหงาเงาไม่ช่ำชื่นเหมือนคนซึมเศร้าดูแล้วเหมือนบุคคลที่ไร้วิญญาณที่เขาเรียกกันสมัยนี้ว่าจิตตกจิตตกจึงเกิด อ, อาการซึมเศร้าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทำไมจิตตกทาไมจิตถึงตกไป มันก็มีสาเหตุอาจจะเกิดมาจากความผิดหวังหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้ยิงใจหวังหรือหมดหวังไปเลยก็ได้บางอย่างบางทีเราหมดหวังไปเลยหมดอนาคตไปเลยนะไม่มีความหวังเพราะว่าหมดหวังไปแล้วหรือมีความหวังขึ้นมาแล้วไม่ได้ยินใจหวังเนี่ย อันนี้เป็นสาเหตุทําให้จิตตกได้เหมือนกัน เ, เรียกว่าผิดหวังหรือความพลาดพลาดความพลาดพลาดจากคนที่เรารักอาจจะร่มหายตายจากกันไปความพลาดพลาด ก, ก็ทําให้จิตตกได้เหมือนกันหรือความสูญเสีย สูญเสียของรักสูญเสียบุคคลที่เรารักเขาเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงทำให้เราจิตตกเกิดปกหักรักหายปกหักรักายในจิตตกนะไม่มีความสุขหรือบางครั้งเราอาจจะได้ยินได้ฟัง ในเรื่องราวที่ไม่ดีไปรู้เรื่องที่ไม่ดีเข้าเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่รุนแรงมีเรืยองร้อนๆกระทบจิตใจเราเก็ทําให้จิตใจเราตกได้เหมือนกัน <S <S <S อาการจิตตกเนี่ยทำให้คนเราเป็นทุกข์อันที่จริงเนี่ย จิตไม่ได้ตกไปไหนหรอกจิตก็ยังเป็นจิตอยู่เหมือนเดิมเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมอทนนี่เราเรียกว่าจิตตกเนี่ยก็เพราะว่าอารมณ์ต่างๆที่มาครอบงำจิตจนมองไม่เห็นจิตเห็นแต่อารมณ์ที่มันมีสภาพเป็นทุกข์อารมณ์หรือความคิดมันทําให้จิตเราเนี่ยรู้สึกว่ามันตกลงไป สมารกมองในแง่ที่ว่าอารมณ์ที่ทาให้ใจเป็นทุกข์อารมณ์ที่ไม่ได้ดังใจความผิดหวังความสูญเสียความพัดพลากมันตกไปจากปกติในฝ่ายของความทุกข์แต่ถ้าเป็นความสุขอะความชื่นชมยินดีความภูมิอกภูมิใจดีอกดีใจแล้วก็ปิดไม่ตกที่จริงน่าจตกเหมือนกันนะ ไปในทางบวกก็ตกเพราะว่าจิตเราเนี่ยเสียความเป็นปกติจิตที่เป็นปกติเนี่ยคือความไม่ดีดีดีร้ายวีสติรู้อยู่นี่เป็นบรรทัด ฐ, ฐานของจิตแต่เป็นฝ่ายดีแล้วก็เราก็ว่าไม่ตกแต่ฝ่ายไม่ดีแล้วก็เร า, าจิตมันตกไม่เป็นไรถ้าจิตมันตกเราก็เก็บมันขึ้นมาซะจิตของเราใจเคสเก็บให้ เราสามารถเก็บจิตของเราได้ด้วยตัวของเราเองด้วยความสามารถของเราด้วยฝีไม้อ ล, ลายมือของเราเนี่เราลองทํากับตัวเราก่อนวิธีง่ายๆถ้าจิตมันตกมันเป็นทุกข์แล้วก็เราลองมาฟังธรรมะฟังธรรมะค ร, รูบาอาจารย์ที่เราชอบฟังธรรมะที่เราชอบชอบก็มีนะฟังธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะหรือลองจดบันทึกหัวข้อธรรมลงในสมุดบันทึกธรรมดูสิลองทำดูสิม่ต้องไปไหนใกล้ๆตัวเราฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะจดบันทึกธรรมะหรือลองคิดถึงเรื่องธรรมะโดยการนำเอาหัวข้อธรรมที่เราชอบเนี่ยเอามาคุ้นคิด คิดเรื่องธรรมะเนี่ยมันไม่ตกหรอกจิตไม่ทุกข์ธรรมะเป็นเรื่องของกุศลถ้าใครคิดใครฟังใครอ่านเท่าเราก็จิตใจมันจะดีขึ้นอย่างเช่นอ่าความไม่เที่ยงความไม่ถิ่ตัวไม่ถิ่ตนความว่างความไม่ยึดมั่นหรือมั่นความปล่อยวางเรานํำมาหัวข้อธรรหเรานี้มาคุ้มคิดดูดจิตใจเราจะดีขึ้น อันนี้ผมเคยใช้มาก่อนสมัยที่พิการใหม่ๆก็ใช้วิธีเนี้ยเพราะไปไหนไม่ได้ต้องเก็บกิดตัวเองด้วยการมาสนใจธรรมะใจมันก็ดีแล้วหรือเราอาจจะมีวิธีอื่นที่แก้ไขอย่างเช่นลองนึกถึงปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่เราชอบที่เราศรัทธาตั้งแต่ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นกระทั่งสาวกแล้วตั้งครูบาอาจารย์ในปัจจุบันเราชอบปฏิปทาของใครนึกถึงความดีของท่านความสามารถของท่านใจเราก็จะดีหรือว่าลองนึกถึงความดีของเราสิเราเคยทำความดีอะไรไปบ้างเราเคยบริจาคโลหิตเคยอุทิศร่างกายหรือดวงตาให้กับโรงพยาบาล ลองคิดดูดิจิตเราจะดีขึ้นหรือนึกถึงบุญกุศลที่เราเคยทําไว้เคยสร้างวัดเคยสร้างโบสถ์เคยสร้างกําแพงเคยขุดสระน้ําทํากองการกุศลคิดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วปรุงแต่งใจให้ดีขึ้นหรือว่าลองนึกทีว่าสิ่งอะไรในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราภูมิใจที่สุดเนี่ยเราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วนในสิ่งนั้น จิตมันจะฟูขึ้นมานะนึกถึงความดีที่เราทําไว้หลืออาจจะฝึกสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอิติปิโสภวาสวดคาถาจินนบัญชรสวด้าหุงฝึกแผ่เมตตานะนี่เป็นการปรุงแต่งจิตใจเราทั้งนั้นหรืออาจจะไปพบปะกับกลยานามิตรคนที่เรารักหรือศรัทธา ไปพูดคุยเล่าจะหาอะไรทําหางานที่เราชอบง่ายๆใกล้ๆตัวเราจะขอให้เป็นงานที่ไม่เบียดเบียนตัวเราให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผืนให้เดือดร้อนหางานทําเมื่อจิตตกจะอยู่เฉยจิตมันจะตกต่าไปอีกถ้าเรายังอยู่ที่เฉยคุณคิดอยู่ในอารมณ์ที่ทําให้จิตมันเป็นทุกข์หางานทํา แต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าไปพึ่งอบา ย, ยามกอย่าไปดื่มสุราเพื่อรักษาใจสุราเพื่อยอมใจไม่ใช่เอ็นน้ำประทุษร้ายสติเนี่ยอย่าไปสนใจมันมันทำจิตเราตกหนักมากยิ่งขึ้นอย่าไปพึ่งสุราอย่าไปซึ่งสิ่งเสพจิตถ้าจะใช้ดีแล้วก็มีอยู่วิธีการหนึ่งที่จะรักษาจิตตกได้นั้น ก็คือการมาเจริญสติการฝึกสติเนี่ยรักษาจิตได้ดีมากเพราะเราให้รู้จักว่าจิตก็คือจิตอารมณ์ก็คืออารมณ์สติสัมัญชะเนี่ยคือธรรมที่มีอุปการะมากเป็นยารักษาใจถ้าเรามีความทุกข์ทางใจแล้วก็ถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะถูกโรคถูกยาถูกฟ้าถูกตัว สติจะบอกให้รู้ว่าจิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตจิตเปรตเสมือนแก้วน้ําอารมณ์เปรตเสมือนน้ําอยู่ในแก้วนะแม้ว่าเราจะลินน้ําใส่แก้วแล้วแก้วก็ยังเป็นแก้วน้ําก็ยังเป็นน้ําถ้าเราฝึกสติอยู่เสมอๆหนึ่งเนืองเนี่ยจะรักษาแก้วน้ำให้เป็นแก้วน้ําได้ไม่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเนี่ย เข้ามาครอบงามจิต <Yeah. S 1> เมื่อฝึกสติดีแล้ว <Yeah. S 1> จะรักษาจิตให้เหมือนอย่างกับใบบัวอารมณ์ต่างๆเป็นเหมือนหยดน้ําหยดน้ําเนี่ยเมื่อหยดลงใบใบบัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ติดกันนะใบบัวก็จะไม่ซึมซับเอาน้ํานั้นไว้ mm. ถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่ฝึกสติจิตเราเนี่ยจะเหมือนอย่างกับกระดาษ mm. เมื่อน้ําหยดไปแล้วกระดาษก็ขาด เพราะฉะนั้นชีวิตเราแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมสติอย่าทิ้งสติฝึกสติรู้สึกตัวอยู่นเนืองกับการกระทํางานต่างๆเมื่อจิตใจเราก็จะดีใบบัวเนี่ยมันไม่ติดน้ําเพราะใบสดชื่นด้วยฉันใดจิตที่มีสติคุ้มครองดีแล้วเนี่ยก็ไม่ติดอารมณ์ได้ฉันนั้น เพราะฉะนั้นจิตตกไม่เป็นไรอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยมีกำลังใจต่อสู้เก็บจิตของเราขึ้นมาการเก็บจิตที่ดีนั้นให้เก็บด้วยสติสมชัญญาจิตจะปลอดภยัยพ้นภยัยและจิตก็จะไม่ตกอีกต่อไป